أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل و سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا ا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ل ن ك ن ن من الخاسرين ربنا آ ت ن ا من لدنك ر ح م نحي لنا من م ر ن ا رشدا الحمد لله อันนี้มีนัยสัพพต์อหนึ่งนะครับเป็นการตักเตือนซึ่งกละกันก่อนที่เราจะเรียนหรือจะร่วมกันอ่านอัลกุรอานนะครับน้องครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีข้อจากัดของมันหรือมีลิมของมัน ทุกอย่างนะครับชีวิตก็มีลิมิตความรู้สึกอุปกรณ์ทุกอย่างมีอายุขยของมันทุกอย่างสุบานันอห ล, ล่นี่อรรถาภรณ์ลละะกำหนดมานะครับอย่างนั้นแต่มันจะมีอุปยางนึงซึ่งไม่มีลิมิตแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญเราไม่ค่อย เราให้ความสําคัญกับสิ่งที่จะหมดอายุมากกว่าสิ่งที่ไม่หมดอายุสิ่งที่มีความสําคัญสิ่งที่อิสลามสนับสนุนมากแล้วก็เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาให้เราตักตวงให้มากที่สุดนั่นก็คือความรู้ความรู้ของอ l ล a h นะสติปัญญาสามารถที่จะบรรจุความรู้ได้อย่างไม่มีลิมิต سبحان a l ล a h แต่เราหาความรู้น้อยมาก นะความรู้ของ Allah سبحانه وتعالى Allah ัลลอฮฺวะและว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าวาว่าว่าว่า ل ่าวกาว่าว่าว่ أ ว่าว่าว่าว่าว่าี่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าวมาว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าน่าว่าว่าน่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าาว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่รว่าวาวาว่า้่าว่าว่าว่่ในโลกนี้มันก็ยังน้อย เอาไปเทียบกับความรู้ทั้งหมดของ Allah เนี่ยมันนิดเดียวเพราะความรู้ของ Allah เนี่ย Allah Taala บอกเองว่าเราตัดต้นไม้ทั้งหมดในโลกนี้เอามาเป็นปากกาเอาน้ําทะเลมันเป็นน้ำหมึกพอมาน้ําทะเลหมดอีกเพิ่มเข้าไปอีกมานาฟิดัดคำของ Allah ความรู้ของล l ะ a h ยังไม่หมดทีนี้ลองนึกดูแต่ละคนที่มีความรู้เท่าไหร่ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุปูนนี้เนี่ยเรามีความรู้กี่กระบุงกี่คันรถอะกี่รถกี่รถบรรทุกและมันสามารถที่จะบรรจุเรารู้สึกว่ามันเต็มหรือยังตอนนี้การรับรู้ของเราการเรียนรู้ของเราเรารู้สึกว่ามันมันเต็มหรือยัง ไอ้แม่ไม่เราเรียนมาไม่รู้ทั้งเท่าไหร่ไม่รู้ตั้งกี่วิชาแต่ก็ยังก็ใส่เข้าไปได้อีกใส่เข้าไปได้อีกอย่าว่าแต่ความรู้ทั้งหมดเลยนะครับเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับอิสลามเราก็ยังเรียนรู้ไม่หมดมีอีกเยอะที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่ามีความรู้สึกว่าต้องจบบางทีเราอาจจะโดนาพาด มายาคติของวุฒิการศึกษาปริญญาบัตรอะเซอร์ติฟิเคตอะไรบางอย่างที่บอกอา้าจบหลักสูตรนี้แล้วไม่ต้องเรียนแล้วไม่ใช่นะครับแต่ความรู้เนี่ยถ้าเราจะแบ่งออกมาผมอยากจะโดยเฉพาะความรู้ที่ไม่รู้ไม่ได้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามที่เราไม่รู้ไม่ได้ พี่น้องรู้หมดหรือยังพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้หมดหรือยังมันจะมีความรู้บางประเภทที่ไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้แล้วเนี่ยอิสลามของเราจะมีปัญหาอิสลามที่อยู่ในตัวเราอะ่ะหมายถว่าเราเป็นมุสลิมที่ที่ที่ไม่ที่ไม่ครบองค์ประกอบที่จำเป็นจะต้องรู้ภาษาหราเขาเรียกว่าม่เละ้ยสุลมุสลิมยหลูหุ สิ่งที่ไม่อนุญาตให้มุสลิม j a h i ลในเรื่องเหล่านั้นเรื่องความเชื่อรุกอิสลารุกนอีมานทั้งหประการเราต้องรู้รุกนอิสลามทั้งห้าประการไม่รู้ได้ไหมคือไม่ใช่แค่รู้แค่หัวข้อนะไม่ใช่แค่รู้แค่หัวข้อว่าการศรัทธามีหกประการศรัท ธ, ธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมุลัยกาศรัท ธ, ธาต่อคำที่ศรัท ธ, ธาต่อรัสุลแต่ไม่ได้รู้เนื้อหาของมัน ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ท่องได้เฉพาะหัวข้อของมันจะตะ้องรู้ว่าศรัทธาต่อลอศรัทธายังไงศรัทธาต่อมาลาอิ ก, กัดศรัทธายังไงศรัทธาต่อคำภี่ศรัทธายังไงศรัทธาต่อกอบ โ, ด โ, ด โ, ด โ, ดโดกดัรศรัทธายังไงถ้ายัางไม่รู้ต้องเรียนประกาศตรงนี้เลยครับไม่ได้ต้องกลับไปเช็คตัวเองละ เราสอนอย่างอื่นมาเยอะนะเราสอนเราเรียนอย่างอื่นมาเยอะแต่ไม่รู้ว่าออไอร้รากฐานของความรู้จริงๆเนี่ยอยู่อยู่ตรงไหนเต้องประเมินตัวเองด้วยโลกคนอิสลามก็เหมือนกันชาดการละหมาดเนี่ยเราจะไปบอกว่าอาจารย์ไม่สอนเลยอ่ะวิชานี้อาจารย์ไม่สอนเลยว่าละหมาดยังไงให้ถูกต้องอาจารย์ไม่สอนเราก็ต้องเรียนครับไปเรียนที่อื่นนะต้องอ่านหาหาอ่าน หาเรียนอันไหนที่มันเพราะเราจะไปอ้างคนสอนไม่ได้ว่าคนสอนไม่สอนไม่ได้ถ้าเรายังไม่รู้ไอ้คนสอนที่เขาไม่สอนเขานึกว่าเรารู้แล้วบางครั้งอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ผมกลัวว่าสักวันหนึ่งมีคนจะไปอ้างผมว่าอ้าวก็อาจารย์ไม่สอนอายผมก็เลยต้องบอกตั้งแต่วันนี้เลยนะว่าไอ้วิชาพวกนี้ไอ้วิชาที่จาเป็นต้องรู้เนี่ยต้องไปศึกษา หรือถ้าสมมติอยากจะเรียนจริงๆหลังใหม่ไม่ใช่ตรงนี้เพราะตรงนี้เรากำหนดแล้วว่าเป็นเป็นเวทีหรือว่าเป็นจุดชุมนุมสำหรับการมาตดบทอัลกุรอานอย่าคิดว่าพวกเรามาเรียนสัปดาห์ละครั้งเราจะพ้นความรับผิดชอบในความรู้ที่เราที่เรายังไม่รู้ได้ไม่ใช่สมมุติเรายังไม่เรียนรู้เรื่องการละหมาดละหมาดยังไงให้ถูกต้องเรายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการถือศีลอย่างไงไม่ถูกต้อง ต่อไปสักวันทังพี่น้องจะมาอ้างว่าเรียนแล้วกับอาจารย์ก็อาจารย์ไม่สอนเองอย่างงี้ผมไม่เอาผมไม่ผมไม่รับประกันนะนะผมเข้าใจพวกเรารู้กันแล้วนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องจำเป็นจําเป็นต่างๆอะไรพวกนี้มีประเด็นปลีกย่อยบางอย่างที่เราคิดว่าเราอยากจะถามให้ถามเป็นเรื่องๆหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วเป็นห่วงเหมือนกันนะเป็นห่วงเราเป็นห่วงบางทีผมไม่ไม่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนบอก เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนที่เรียนกับเราเนี่ยตกลงจริงๆแล้วนะความรู้พวกนี้เนี่ยเขารู้กันไม่ยังนะถ้าไม่รู้นะอนุญาตนะครับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นหนังสือที่ว่ามันครบเขาเรียกว่ามัน ม, มันมันส่งมาแบบเอแพ็คเกจหนึ่งนี่มีทุกอย่างลองพลิกดูสิลองพลิกดูดูแค่สารบัญอย่างเดียวก็ได้นะไอ้หนังสือสีชมพูเนี่ย ถ้ามีเป็นของตัวเองได้ก็ดีจริงๆแล้วที่เราเอามาแจกตอนแรกเนะี่ยเราแจกใหเ้เป็นของตัวเองคนละเล่มคนละเล่มใช่ไหมครับแต่ทางสุราบเขาเก็บเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะให้เวลาที่เขามาเรียนเขาจะได้เอามาเป็ น, ปนสื่อในการเรียนการสอนแต่ถ้าหามาได้เป็นของตัวเองได้นะเดี๋ยวลองให้น้องๆหามาดูนะใ ค, ใครที่อยากจะได้เป็นเล่มของตัวเองมันไม่ครบเริ่มตั้งแต่เรียนอัลกุรอาน3ยุท ส, สุดท้ายซึ่งเป็น3มยุทที่เราอ่านกันบ่อยเขาก็เลยเอา3ยุทมา ไปจนถึงเรื่องออกเดตไปจนถึงเรื่องฟิตไปจนถึงเรื่องซิกเกิลไปจนถึงเรื่องการปฏิบัติทุกอย่างเราแพ็กเกจที่ที่โอเคระดับหนึ่งอันนี้คือความรู้ที่ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในนี้แหละอินชาอัลลอฮ์อะไรที่เราจําเป็นจะต้องรู้ถ้าเราศึกษาหนังสือเล่มนี้จนครบทุกหน้าอินชาอัลลอฮ์มันสามารถที่จะตอบตอบคําถามตอบโจทย์ความจําเป็นของเราได้แล้วในระดับหนึ่ง บิอืิลลัลซุบฮะร์ร่าลทาลเพราะฉะนั้นว่า ง, างเอามาอ่านด้วยหนังสือไม่กี่หน้านะฮะอะ่กี่หน้าลองพลิกดูสิเอ่อวิธีการละหมาดมีทั้งรูปภาพประกอบด้วยจะวางเท้ายังไงจะดูตรงไหนนะอ่ะวิธีการอาบน้ำละหมาดอาบน้าละหมาดยังไงหนึ่งประมาณหนึ่งร้อประมาณสองร้อยหน้าสองร้อยหน้านะครับถือว่า นะเป็นมาร์จิทเป็นแหล่งอ้างอิงสําหรับพวกเราก็แล้วกันนะครับที่เขาเรียกว่าไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสจะเรียนศาสนาแบบขั้นศูนย์เอาอันเนี้ยเรื่อเนี้ยเป็นแนวทางสําหรับเป็นกุญแจที่เราจะเรียนรู้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับขอพระผู้ทรงกราบถ่าละฝากไว้ด้วยนะครับมาดูกันวันนี้นะครับสุรพนุชเรายังพูดคุยกันในประเด็นที่ การด่าวห์ของท่านนบีนุฮอ عليه السلام มันมีอายะที่เท่าไหร่อายะที่สิบเจดนะครับวันก่อนรอบที่แล้วเราอธิบายยังยังไม่หมดนะครับเนื้อหาที่ท่านนาบีนุฮฺนั้นได้เอามาตักเตือนกลุ่มชนของท่านดูอายะที่สิบเจดเป็นต้นไปครับ ซาฟรَุนลอ م ฺอาบูอิลฮฺ ا ل ل ه อุบิลลาห์มิน ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلو منها ُ ل ب ل ب ا فيجاجا قال نوح ا ل ر ّ ب إ ن ه م عصوني واتبعوا من لم يزده ماله تبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خ س ا ر ا وما كرُومك ر َ ك ُ براء. وقالوا لا تذرن آلهتكم. ولا تذرن แวตุประเสริฐอา و าจักร ثير าว่า ا ั้ ثير ا และไม่เพ ا غ ่อล้มนั่นแต ل ละกล خ านั่น ه ต่ละกล้านั่นแตَละ ل ล้านَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أ َ ن ص َ ا ر ا ً อัลลอฮ์ سبحان الله ท่านนาบีนุ่เนื้อหาในการด่าวะของท่านพยายามอย่างมากนะครับที่จะตักเตือนด้วยวิธีการที่จะทําให้คนฟังเนี่ยได้เข้าใจมากที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่ทํางานด่าวะเวลาที่เราอธิบายอะไรเนี่ยตัวชีวิตอยู่ที่คนฟังด้วย หมายความว่าอธิบายให้คนฟังได้รับประโยชน์มากที่สุดช่องทางไหนก็ได้อะไรก็ได้ที่จะทําให้เขาเข้าใจอิสลามให้เขารู้จักอล l l a h ต้องพยายามหาทางนะเบนุนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างทั้งในเรื่องของฝนยกตัวอย่างในเรื่องของการสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดยกตัวอย่างในเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ของฟ้า ไม่จบยังไม่หมดอีกนะอายักิเจดนี่ยพูดถึงอะไรวะลอห์อัลเบตะคุมมินะล้อดินะเบตพูดถึงเรื่องมักคลูกอื่นหมดแล้วทีนี้มันพูดถึงเรื่องมนุษย์บ้างอัลเบตะคุมอัลลอบอกว่าท่านนาบดุลเบนุบอกว่าอัลลอลฺทำให้พวกเจ้าเนี่ยงอกขึ้นมาจากจากอะไรครับมินล้อจากผื้นดินตกลงมนุษย์เนี่ยเกิดมาจากพื้นดินเหรอ เราเกิดมาจากไหนครับเกิดมาจากจอมปลวกไหมเราไม่ได้เกิดมาจากจอมปลวกเราไม่ได้เกิดมาจากพื้นดินแต่เราเกิดมาจากนะครคนพอ่อคนแม่เราแต่ว่าจากพื้นดินตรงนี้นี่จากแผ่นดินตรงนี้ก็หมายถึงใครหมายถึงมนุษย์คนแร ก, น, น, กนั่นก็คือนั่นก็คือแะไฮะท่านนาบอดอาดัมอลหิสซาให้เราได้ได้สังเกตว่าสุบฮานัลลอฮ์ أنشأكم وأوجدكم فاستعير الامبات للإنشاء للمشابه بين امبات النبات وإنشاء الإنسان من حيث إنك ليهما تكوين وإيجار لشيء للشيء بقدراته والمراد بامبتكم امبة أصلكم وهو ب و ك م آدم وأنتم فروع عنه لكي ك ا ن ت بعكم نتفسير นะครับหมายถึงว่าอาดัมนี่ยถูกสร้างมา มาจากดินแล้วเราก็เป็นลูกหลานของอาดัมเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนมาจากดินเช่นเดียวกันในเมื่ออัสต้นต่อมเมล็ดพันธุ์ของมนุษย์คนแรกมาจากดินแสดงว่าเราต้องเป็นลูกหลานของต้นตอ น, นั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องมาจากดินแล้วเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันออกมาจากดินนี่มันมันขึ้นมาอย่างไงมันขึ้นมาทีเดียวพรวดพราแล้วก็ออกลูกมาจนจนเห็นในวินาทีเดียวไหม มันต้องขึ้นมาทีละเล็กทีละเล็ ก, ท, ลลกทีละน้อยจากมาเมล็ดนะเหมือนต้นถัว่วสมัยที่เราเรียนประถมใช่ไหะครัวให้เอาต้นถั่วมาวันแรกมันขึ้นมาก่อนแล้วมันก็แตกใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบกว่ามันจะเลื้อยขึ้นมาแล้วมันออกดอกออกลูกต้องใช้เวลาตั้งเท่าไหร่มนุษย์เราก็เช่นเดียวกันเราแต่เราไม่ได้ทําให้มนุษย์เกิดมาปุ๊บเหมือนโคลนนิ่งออกมาทีเดียวแบบอะไรกันนะ แบบแปลงร่างขยายร่างอย่างนั้นไม่มีต้องออกมาทีละน้อยอัมบัตตะกลมเอ็มแแบมัถึงออกออกมาก็เป็นเด็กก่อนเป็นทารกนาเป็นทารกก่อนทำอะไรไม่เป็นนะร้องห้า่อย่างเดียวกว่าจะคลานได้กว่าจะคว่าได้กว่าจะตอะแตะได้กว่าจะเดินได้ต้องใช้เวลานี่เป็นการเปรียบเทียบนะให้เราสังเกตการสร้างของพระผู้มโหลถต่อตัวเราเอง والله อันบ um um um ัตค م ณใน الأرض นบ ا ตทั้มมายูไอดุคุณ فيها เมื่อเราโตขึ้นมาเราเป็นมนุษย์จนจบหมดอายุขัยของการเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยรัตต์เราก็บอกอยู่อีดูกลุ่มซีทีาให้เจ้ากลับไปอยู่ในในดินอีกครั้งเรามาจากดิน เราจะกลับไปสู่เราจะกลับไปสู่ดินทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวกับดินนี่เกี่ยวกับดินมีอะไรบ้างเกี่ยวกับดินหมดเลยตัวเราก็มาจากดินอาหารที่เรากินมาจากไหนจากดินเนื้อวัวเข้ามาจากไหนวัวกินอะไรยญ้ามาจากไหนสแสดงว่า เนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นดินเป็นดินบ้านเราเราสร้างเนี่ยเราเอาอะไรมาสร้างเห็นไหมฮะเนี่ยตอนที่ชัยตอนมันอ้างสิทธิ์ตอนน้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มันอ้างสิทธิ์ว่าอย่างไงเอาละอันะคอยรุนมิ่นหูชัยตอนไม่ยอมก้มหัวให้กับอาดัมเพราะมันอ้างว่าอาดัมนี่ถูกสร้างมาจากดินมันถูกสร้างมาจากไฟไฟเนี่ยดีกว่าดินมันอ้างว่าอย่างไงถูกไหมไฟดีกว่าดินจริงไหม ไฟทําอะไรได้ม้างนอกจากทําลายในขณะที่ดินเนี่ยสร้างทุกอย่างสร้างมนุษย์สร้างสิ่งมีชีวิตสร้างที่พักอาศัยก็มาจากดินทั้งหมดเลยใช่ตอนมันโง่ังแต่วันนั้นแล้วมันไม่รู้เรื่องมั น, นอ้างว่าตัวเองมันอ้างว่าตัวเองฉลาดด้วยความทิฐิของมันเอาวินละมันไ้เลยนี่คือ อัลชาติอนอัลชาติอนละจีนะครับเพราะฉะนั้นดินนี่มีประโยชน์มากอุพการะลอสัลลาฮฺสร้างเรามาจากดินแล้วเราก็จะกลับไปเป็นไปเป็นดินอีกครั้งหนึง่งซ um um um ja ึมมายูอิดุคุมฟ ي ه ا วายูขริจุคุมอิขราจ์เรากลับไปรอบนี้เนี่ยเราจะกลับเราจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยลอัลลาฮฺสร้างเราแล้วก็ให้เรากลับไปอยู่ในดินทุกคนต้องกลับไปอยู่ในดินและเราก็จะออกมา จ, จากดินอีกครั้งหนึง่ง วอยคริจุคุมอีกรอจออกมาอันนี้เป็นการยืนยันว่าต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะมีมนุษย์บางส่วนไม่เชื่อว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยจะไม่ฟื้นคืนเป็นไปได้ยังไงมนุษย์ตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงมันไม่นึกถึงตอนแรกตอนนี้มันยังไม่มีอะไรแล้วมันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงตอนนั้นทำไมไม่ได้ทำไมไม่นึอะอัลลอฮ อันนี้ถ้าเราเรียนวิชาอักเดดาที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพในวันอาคราตเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ว่าเหตุการณ์ที่ล a l l ล h จะให้มนุษย์ฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนนะฮะดิสจะบอกว่าจะบอกเลยว่าฝนตกลงมาก่อนเหมือนต้นไม้เลยนะฝนตกลงมากี่วันละนะที่บอกในฮะดิสเสร็จแล้วเชือ้อหรือ เขาเรียกว่าไอ้ตัวที่ยังหลงเหลืออยู่จากมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้สลายไปหมดนะมันจะมีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอจาจูบูนนดเป็นเหมือนดีเออของมนุษย์ที่มันยังหลงเหลืออยู่ในในพื้นแผ่นดินแม้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนมันจะต้องไม่สลายไอ้ตัวเนี้ยมนุษย์จะเกิดขึ้นมาอีกครั้งจากสิ่งที่เรียกว่าอจาจูบูนนดเป็นเหมือนเซลล์เป็นเหมือนดนีเอ็ลเอเตาอาจจะให้ฟื้นขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้ที่ฟื้นขึ้นมาอีก س ุ ح ا ن อัลลอฮ เพราะฉะนั้นการฟื้นขึ้นมาของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้แปลกไปจากตักกะใดๆทั้งสิ้นในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างสูงอย่างมากไม่มีอะไรที่จะนะเป็นไปไม่ได้ในการสรรสร้างของล่องของทานหตือะนี่เป็นเนื้อหา <c oughs> การดาลาวของท่านนาบีนะแล้วเนี่ยนักตักเสีรบางคน ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าทำไมอเลสตาลาต้องใช้คำว่าเอมแบดเหมือนกับต้นไม้ทำไมเพราะว่านะคบบอกว่า bi an al insan مخلوق محدث وانه مثل النبات يحصد ثم يعود إلى الحياة مرة أخرى سبحان الله ชีวิตของมนุษย์คือจะเปรียบเทียบกับอะไรได้ชัดเจนไปกว่าการเปรียบเทียบของของพืชได้อีกไม่มีอีกละ เหมือนเลยไม่แตกต่างกันเลยต้นไม้นะ ถ, ถ้าจะเป็นต้นไม้ที่เราปลูกเองบางทีมันอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่จะถ้าเป็นพวกพืชที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติสังเกตดูต้นหญ้าหญ้าเจ้าชู้หรืออะไรก็ดีที่มันที่มันอยู่ตามสนามตามอะไรพวกเนี้ยเวลาฤดูแล้งนี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหน ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่พอฝนตกมาสักนิดหนึ่งเนี่ยมันออกมามันดินที่แตกระแหงยังไงเนี่ยเวลาที่ฝนตกมาเนี่ยมันไปมันไม่รู้มาจากไหนที่ประเทศอาหรับนี่จะเห็นภาพชัดมากนะทะเลทรายแห้งอย่างเงี้ยไม่เห็นอะไรสักอย่างหนึง่งฝนตกแค่สามวันอ่ะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเวลาที่เราไปเห็นโอ้โอโอดอกไม้เต็ม สีเหลืองสีแดงสีทุกสีทุกเฉดสีจะเห็นขึ้นมาเต็มหมดในขณะที่ตอนที่เป็นฤดูแล้งที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนสุพรรณลลอนี่คือการยกอุทาหอนของล่องสุพรรณตะลาเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นมาใหม่ของมนุษย์ว่าตะลาจะให้มนุษย์ฟื้นขึ้นมาเหมือนกับที่พระองค์ทํำให้ต้นไม้ที่มันแห้งไม่รู้อยู่ที่ไหนนี่ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฝนตกอะไรประมาณนั้นเลยนะครับ สุบฮานอัลลอฮ์นี่การใช้คำเนี่ยในอัลกุรอานเนี่ยมันมีความหมายมันไม่ได้บอกตรงๆไม่ได้บอกตรงๆว่าเอาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เลือกใช้คำ embed e m เนี่ยภาษาอับกฤษเขาใช้กับพืชแต่ลอสบาลัเอามาใช้กับมนุษย์เพื่อให้เราได้คิดว่าออมนุษย์กับต้นไม้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยแม้กระทั่งการเลี้ยงดู การสอนลูกการเลี้ยงลูกเนี่ยก็เหมือนกับการเลี้ยงต้นไม้คำว่าตารเบยรเบยตบเยเนี่ยเราชอบพูดคำนี้มาจากคำว่ารับบะยูรบีมาจากคำที่เขาใช้ในการปลูกต้นไมเ้เลยเวลาที่เราจะเลี้ยงลูกของเราสักคนหนึ่งหรือเราจะเตเบียาะใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า ให้ทําตัวเองเหมือนกับคนที่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นี่เหนื่อยไหมฮะนะกว่ามันจะออกลูกออกดอกเนี่ยต้องใช้เวลาคนปลูกนี่เหนื่อยมากต้องดูแลรักษาต้องไถดินต้องต้องพรวนดินต้องดูแลโรคอะไรต่างๆที่จะเข้ามาดูแลนอนที่จะเข้ามากินใบต้นไม้ที่เราปลูกนะเพราะฉะนั้น การเตรบิบใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้จะปลูกอะไรต้องดูก่อนว่าดินเหมาะไหมที่จะปลูกต้นไอ็นี่จะต้องเลือกคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ใี้ดีไม่ใช่ว่านะสมมุติเวลาที่เราจะปลูกอะไรสักอย่างเราสมมุติปลู ก, มมลกข้าวโพดสักแปลงหนึ่งเอาพันธุ์ข้าวโพดมาสักหนึ่งกระบุงแล้วก็มาถือก็เทเทอย่างนี้เลยเทนะไม่ได้ย่าขึ้นเต็มอย่างนี้เอาเอามาเล็ดข้าวโพดมาปโปรอย่างนี้มันจะขึ้นไหม มันก็อาจจะขึ้นแต่มันไม่มีผลอะไรเลยแล้วกระบุงดึงที่เราเทไปเนี่ยมันจะขึ้นมาสักกี่ต้นต้องคิดก่อนต้องไถดินก่อนต้องเอาญ้าออกก่อนต้องเผาก็เผาญ้าให้มันเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก่อนใช่ไหมครับแล้วไอ้เมล็ดพันธุ์หนึ่งกระบุงเนี่ยก็ต้องคัดมเมล็ดไหนดีมเมล็ดไหนไม่ดีเนี่ยเรื่องมันยาวเรื่องตระเวนเนี่เป็นเรื่องยาวมากเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากมันไม่ใช่เหมือนกับเรื่ององการ มาบรรยายหนึ่งชั่วโมงคุาถือว่าครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ดูแลมนุษย์อิสลามเนี่บอกให้เราดูแลมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมันจะมีวิชาอยู่วิชาหนึงสมัยที่เรียนมันจะมีวิชาเราวิชาเตอรเบียวิชาเตอรเบียแล้วเขาก็จะแบ่งเขาเรียกว่าอายุไขของมนุษย์ในทัศนะของอิสลามเนี่ยออกมาเป็นเจดระดับระดับเป็นทารกเป็นเบบี๋แล้วก็เป็นเด็กโต เป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ที่วัยทํางานแล้วก็เป็นผู้ใหญ่วัยอะไรเขาเรียกวัยวัยแกะชะ่ชาวัายแกะชะะ่ชราแต่และ ว, วัยจะมีสูตรของมันเฉพาะในการดูแลอิสลามจะบอกหมดเลย <t> ตอนที่ยังอยู่ในท้องอิสลามดูแลยังไงพอออกมาจากท้องอิสลามดูแลยังไงอายุห้าขวบดูแลยังไงอายุสิบเอ็ดขวบจนถึงยี่สิบขวบดูแลยังไงยี่สิบจนถึงสี่สิบดูแลยังไง สี่สิบจนกระทั่งจะเสียชีวิตดูแลอย่างไรนี่คืออิสลามดูแลมีหลักสูตรในการดูแลทั้งหมดเลยอิสลามไม่ได้ดูแลเฉพาะเด็กโตเท่านั้นไม่ได้ดูแลเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงวัยทางานเท่านั้นแต่ดูแลตั้งแต่ก่อนแต่งงานด้วยซ้ำก่อนจะแต่งงานเนี่ยต้องวิเคราะห์แล้วว่าจะจะเลือกยังไงจะเลือกยังไงเพื่อให้ลูกที่ออกมาเนี่ย س ุ ح ا าอัลลอฮ นะเนี่ยคำว่าอัมบัตักุมมิในล้อดินบัตาแค่ขยัเดียวเดียวเราชาวอัลลอครอ๊ดได้ไม่ได้ไม่รู้ตั้งไรไม่รู้ตั้งกี่มิติสุฮารอัลลอฮ์นี่คือมาสจชะน์อัลกุรอานุลกิรีมถ้าเราคิดสักนิดหนึ่งจําเป็นเลยครับที่เราจะต้องยอมรับต่อความความเปลี่ยนไกลความสามารถของล่องสุภาหนอตาละนี่เป็นวิธีการที่ท่านนาบีนุใช้ในการเดาว่า นะครับพักฟุกพักขันต่อไปอ่า والله جعل لكم الأرض بيساط และอัลลอฮฺต้าเลานั้นได้สร้างให้แผ่นดินเป็นเหมือนกับบีซาตบีซาตก็คือเหมือนกับเอ่อพรอมอัลลอฮฺต้าเลทำให้แผ่นดินนี่ราบเรียบเหมือนกับพรมหมายความว่า มันสามารถที่จะใช้ในการเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกไปหาฤสซกีที่ไหนได้สะดวกไปปลูกพืชไปทำไร่ไปทำนาไปทำอะไรได้สะดวกส่วนใหญ่นะครับที่เราจะใช้ได้ถามว่ามีไหมที่เป็ น, ท, ป น, ท, ปนที่เป็นอะไรที่เป็นทะี่เป็นภูเขาที่เป็นอะไรแต่มันไม่ได้เป็นภูเขาทั้งหมดภูเขาที่ถูกสร้างมาเนี่ยเป็นเหมือนกับอ่าวจ่จะอะไรนะในโซร์อัาที่เราเรียนไปแล้ว วอลจีแบลและเอเวแทดภูเขาทั้งหมดนี่เป็นเหมือนกับหมุดตรึงให้โลกเนี่ยมีความแข็งแกร่งให้โลกเนี่ยไม่ถล่มไม่ทลายแต่ในขณะที่ไอ้ที่มันเป็นบีซอบเป็นที่ราบเรียบแผ่นดินที่ราบเรียบเนี่ยมันจะมีเยอะกว่าที่เป็นภูเขาหรือเพียงพอที่มนุษย์จะใช้ในการมีชีวิตอยู่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้สะดวก ไม่ต้องไม่เหมือนกับดาวบา ง, บางดวงนะที่เราเห็นแต่ภูเขาอย่างเดียวมันมีที่รากเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสุดข้าน่ลล่อลอันนี้ก็เป็นความหมาสัจจรนท์ที่เอลอสเราแต่าลาสร้างมานะครับชีวิตของคนที่ใช้คนที่ใช้ชีวิตอยู่บนภูเขากับคนที่ใช้ชีวิตอยู่เบื้องล่างลองสังเกตดูความยากความยากลําบากความง่ายกับความยากลําบากของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน ถ้าจะทํามาหากินถ้าจะาไปตั้งรกรากไปทําสวนไปทําอะไรเนี่ยต้องหาพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นที่ราบลุ่มลองดูภูมิภาคของประเทศไทยเมืองหลวงของเราอยู่ที่ไหนทําไมที่เขาเลือกจ ะ, จะอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรทํานาได้ทําสวนได้มีแม่น้ําไหลเขาะจะเลือกทําเลและเลือกทําเลซึ่งนี่คือการสร้างหอล็อกสุพรรณหอตะละั่าถ้าหอตะลา่วสร้างโลกนี้เนี่ยมีแต่ภูเขาเนี่ยเราจะอยู่ยังไง คือการชุกะการบอกกล่าวให้เราได้ฉุกคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการให้ความง่ายดายจากอัลลอฮุ س ب า ا ن ه และ تعالى ค่มนุษย์ทั้งสิ้นนะวัลลาฮุจ้าเล่ละกุมุลอาร์ตบิสาตาลิตัสลุคุมินห์ฮะซุบุลันซิจาจะเพื่อให้พวกเจ้าได้เดินทางได้มีความสะดวกในการเดินทางไปไหนมาไหนนี่คือทั้งหมด นะเรื่องราวทั้งหมดที่อัลลอฮฺสุบฮานะอูตะลาได้กล่าวถึงวิธีการท่านนาบีนูอ์อนะลัยฮิสสลามถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่อายัดแรกนะที่อัลลอฮฺตะลาเล่าเรื่องราวของนบีนูอ์เห็นเราจะเห็นได้เลยว่านะท่านนาบีนูอ์อะลัยฮิสสลามได้เลือกเอาทุกวิธีที่สามารถจะใช้เนะสละกแล้ว บอกหมดทุกอย่างอาบอกอันนี้ไม่เชื่อย้ายไปเรื่องอื่นเล่าเรื่องนี้ต่อเพราะจากช่องทางนี้ไม่รับอีกหาช่องทางอื่นเพื่อที่จะให้รับให้ได้ว่าอลล له วตลเป็นพระเจ้า ให้เชื่อในการนั้ว่าของท่านให้ได้ทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันทั้งแบบเปิดเผยไม่หยุดไม่หย่อน950ปีนี่พี่น้องลองคิดดูสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์อาจจะมีอายุเยอะมากกว่าเราเราอย่ามาเอามาเปรียบเทียบกับมนุษย์อายุเราเพราะว่าอันนี้เราเป็นเรื่องรอเอฟเป็นเรื่องรอเอฟนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาด ขนาดของมนุษย์ตัวขนาดของมนุษย์ในยุคของเรากับขนาดของมนุษย์ในยุคของคนก่อนๆเนี่ยบางทีเราเราเอาไปเทียบกันไม่ได้เพราะชีวิตแม้กระทั่งยุคของเราเองที่เราสามารถจะคํานวณไปถึงสมมุติหนึ่งร้อยปีเอาแค่หนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยปีหลังย้อนหลังไปหนึ่งร้อยปีเนี่ยวิถีชีวิตของเราของมนุษย์หนึ่งรอยปีที่แล้วกับยุคของเรามันก็ไม่เหมือนกันละ การกินก็ไม่เหมือนกันขนาดของคนก็น่าจะไม่เหมือนกันเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับอายุไข่อะใช่ไหมอาหารมีผลอย่างมากของเรายุคสมัยนี้เนี่ยอะไรทุกอย่างมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยอย่าว่าแต่ร้อยปีเลยเอาเอายุของเราเองอะคนที่มีชีวิตอยู่ในป่าอยู่ในเขากับคนที่มีชีวิตอยู่ในเมืองอะไม่เท่ากันละ สุขภาพไม่เหมือนกันแล้วล่าสุดที่เราไปเยี่ยมบนรณกนที่อายุหนึ่งร้อยปีอะที่เพิ่งเสียชีวิตอะหนึ่งร้อยปีครับยังแข็งแรงหนึ่งร้อยปีนี่เดินไปสู่เราสบายๆคนหนึ่งหมู่บ้านอะบรรณกนที่เราไปเบดตรงมามีโตชายคนหนึ่งเพิ่งเสียไปเมื่อไม่ถึงสองสัปดาห์แล้วไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับอายุหนึ่งร้อยกว่าปีครับ ในเมืองอย่างเรานี่จะหาได้ที่ไหนหนึ่งรอยกว่าปีหนึ่งร้อยกว่าปียังทำงานทำงานขยันด้วยนะถือมีพระไหว้อะไปฟันนูน่นฟันนี่ยังได้เลยเพราะอะไรฮะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่แบบเราความเครียดก็ไม่มีฮะนึกอยากจะกินผักกินกินปลากินไก่ก็เอาไต้ถุนเอาเอาหน้าบ้านอะไม่ต้องไปซื้อที่เขาใส่ฟอร์มาลีนใส่น้ำแข็งเหมือนที่เรากินอยู่ทุกวัน มันเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับยุค ข, ของเราที่เราบอกโอ้ยทําไมคนสมัยก่อนมีอายุเป็นร้อยรอยปีเป็นไปได้ยังไงไม่เชื่อนะเพราะว่อนนานบีนุ่มมีอายุเก้าร้อยห้าสิบปีเอ้หนึกไม่ออกนะว่าเขาจะยาวขนาดไหนนี่นี่ไม่ถึงสี่สิบปีนี่เขาอ่านี้ว่าอย่าไปนึกตามตามมันดของเราเองนะกัาธาราสร้างได้ แล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับใครจะมีอายุกี่ปีร่างใจใหญ่แค่ไหนในเมื่อเราคุรอา่านระบุมาอย่างนี้นะครับสุภาพนัลลแหละ950ปีทุกวิถีทางละทั้งหมดนะครับน่แหละพคือพูดไปแล้วมันมันนึกไม่ออกเพราะเราไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นวันๆของเราเราทำอะไรมั่งนบนีนู่นนะันด่าวะทุกวันเราด่าวะกี่วัน เราก็เลนไม่ออกว่านบีนูด้ว่าอย่างไงไม่เคยทําเลยอะฮะเราไม่เคยเราไม่เคยมีเลยในชีวิตของเรา24ชั ua, th ่วโมงที่เราจะเอาความดีไปบอกคนอื่นแล้วก็ห้างจากสิ่งชั่วๆไม่ว่าช่องทางที่เราสามารถทําได้ถามว่า24ชั่วโมงของเราเรามีสักส่วนหนึ่งไหมที่ทํางานเพื่อ Allah ทางานเพื่ออิสลาม แล้วถ้าเราบอกว่ามันไม่มีช่องทางที่เราจะทําเฮ้ยคิดใหม่คิดใหม่คิดให ม, หม่เอามาทบทวนตัวเองใหม่จริงหรือเราไม่มีช่องทางในการทํางานด่าว่าของเราจริงหรือลองคิดดูใหม่สิแล้วเฟซบุ๊กมีไว้ทําไงอ่ะฮะไลน์มีไว้ทําไมอ่ ะ, อ, ะ, อ, ะ, อ, ะอันนี้ไม่ใช่ช่องทางในการาด่าว่าสมัยนี้หรือแล้วไหนช่องทางจะด่าว่าฮะคุณอยู่ในคุณอยู่ในท่าหรือตอนนี้ ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีจองทานในการด่าว่านี่ต้องตอบไปคิดใหม่เรานึกไม่ออกว่านาบีนูหงเนี่ยด่าว่ายังไงมาชาอัลลอฮ์ละอิลลาห์อิละละัลลอฮนะคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราบางครั้งพอเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเป็นเขาเรียกว่าการทดสอบในการทํางานด่าว่านี่ยเราจึงไม่มีปฏิกิริยา เพราเราไม่ใช่นักด่วะเราไม่ได้มีปฏิกิริยาหรือบางทีอาจจะมีปฏิกิริยาเชิงลบแบบสุดขั้วก็เป็นได้บางคนไม่มีปฏิกิริยาเลยหรือบางคนอาจจะเป็นลบแบบสุดขั้วเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่นักด่าวะเหมือนกันไงคนที่เป็นนักด่าวะจริงๆจะต้องอดทนได้แต่เราเนี่ยพอเราด่าวะสักหน่อยหนึ่งพอใครมาปึ้งสักหน่อยนึงเรากลับมีปฏิกิริยาต่อต้านกลับเพราะอะไร เราไม่ใชนักดาว่าตัวจริงยอย่างนบีนูนี่นักดาว่าตัวจริงเ5 0ปีออกา50ปี50ปี50ปี5อปี50ปล50ปี50ปี50นี50ปี50ปี50ปี50ปี5ขปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี50ปี่0ปี50ปี0ี0 0ปี50ปี50 50 1,000 ยกเว้นห้าสิบก็คือก็ร้อยห้าสิบปีเราอยู่ได้ไหมเนี่ยเราสิบปีเราไหวไหมหรือยี่สิบปีเราไหวหรือเปล่าต่อไปพวกเราอยากจะกลับไปอยู่ตามตามตามหมู่บ้านของเราไปพัฒนาสังคมอย่าว่าแต่จะเอาอิสลามไปให้เลยจะไปเปลี่ยนสังคมเดิมๆที่เขาอยู่กันแบบไม่พัฒนาในเรื่องดงนยาเนี่แหละ นะบางทีโดนแรงต่อต้านอะไรหน่อยชัจกจะไม่ไหวชัจกจะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮ์ห้องประละอิละฮะอิลลัลลอฮผมนั่งคิดอยู่นะครับว่าทำไมเรื่องราวของนบีนุ่นี่มันถึงทรหดขนาดนี้ทำไมมันมันไม่ไปมันไม่ไปเป็นตัวอย่างของนบีคนอื่นมันไปเป็นเรื่องราวของนบีนู่น่ะ เหมือนกับว่าโดนคนแรกเลยอ่ะน บ, บีนุ่นนี่ก็คือเป็นน บ, บีหลังจากที่น บ, บีอาดัมเลยมีขีละกันอยู่แล้วว่ามีอิริสอยู่ก่อนหน้านั้นไหมแต่อิ드리ษไม่เคยเห็นบทบาทอัลกุรอานพูดถึงอิริสแค่ยันเดียวทําไมอะ่ะทำไมน บ, บีนุ่นเนี่ยมาตัวอย่างคนแรกก็950ปีเลยทําไมไม่มีน บ, บีมุฮัมมัดเก่สักร้อปีน บ, บีอิบรอฮิมสัก500รปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไร ลางคิดดูเพื่อที่จะให้มันเป็นตัวอย่างที่มันแบบ c o p e ร e บคลุมส y ไปเลยชุมูลไปเลยเนี่ยโอ้บรรดานาับีบทุกคนที่มาหลังจากนาบีนุกม่ว่าจะเป็นนบีอิบรอฮิไม่ว่าจะเป็นนบีอูดไม่ว่าจะเป็นนบับดุลาไม่ว่าจะเป็น น, บ, น, นบีมุฮัมมัดของเราสัลลัลลอฮุอะลัยวะัลลัมถ้าพวกเจ้าคิดว่าการที่เจ้าเป็นรอซูลแล้วเจ้าจะเหนื่อย ดูอาทุกคนบรรดาคนที่เป็นดาอีทุกคนถ้ารู้สึกเหนื่อยในการทำงานดะวะกลับไปดูนบีนุคนแรกเลยเขาทำงานยังไงน่าจะเป็นฮิกมัดประการหนึ่งที่ว่าทำไมนบีนุเนี่ยอัลลอฮตะอลาให้ทำงานถึง950ปีและโดนต่อต้านชนิดที่ยาอัลลอ์สุบฮานอัลลอฮ์โดนต่อต้านหนักมาก นายเป็นต้วน ah, ั ala, oh, kap, N N uh, ่งพูดแล้วข้าวันนุชรับบีอินนั่ม عصوني วัดตั้าไม่แล้วไม่ใครที่จะศรัทธากับเจ้าอีกแล้วหลังจากนี้ อิน ahu แลนยุค mina อะแลน่ะในสุรษูตีอัลลอฮฺทัลลาบอกว่าแลนยุ mina ของข้าวมิค้าอิลลามังคัตอัไม่มีอีกละแลนอัลลอฮฺทัลลาบอกว่านไม่มีอีกโดยเด็ดขาดหลังจากคนเนี้ยคนสมมติเอ่อคนสุดท้ายละคนนี้แหละที่สัตตาคนสุดท้ายละหลังจากนี้ไม่มีอีกละดังน้นวีโนก็ าว5 0ปีแล้วมันรู้รู้บททุกอย่างแล้วว่ามันนิสัยเลวยังไงอะไรยังไงจบละถึงเวลาที่รายงานผลละออแล้วนูคุณ ร, รับบิ อ, อินนะอุมเอาเศรนียะอัลลอ์โอพระผู้เิบาลของฉันคนเหล่านี้เอาเศรณีไม่เชื่อฟังฉันไม่เชื่อฟังยังไม่เท่าไหร่วัตตทบอไปตามคนอื่นฉันปกมันไม่เชื่อ วัดต um uh wa uh ัองมาล้มยิ่งดูมัลลุว์วอลดูอิลล่าข้าศัตรูที้เนี้ธ <laughs> ิบายยาวหน่อยไปตามใครตามคนที่ลูกหลานของเขาทรัพย์สินของเขาไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนอกจากความขาดทุนหมายถึงคนที่มีลูกเยอะคนที่มีทรัพย์สินเยอะแต่คนที่มีทรัพย์สินเหล่านี้ เป็นคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินไม่ได้รับประโยชน์จากลูกหลานของเขานอกจากนั่นความอายนะเพิ่มเติมให้กับเขาแค่นั้นเองคนเหล่านี้ก็คือบรรดาพวกที่เป็นเขาเรียกว่าคนมีระดับในกลุ่มชนของท่านนาบีนูฮัยละสละคนชั้นเขาเรียกว่าชนชั้นสูงคนที่มีสมบัติเยอะไม่ใช่พวกคือนบีนูฮัเนี่ยด่าว่าทุกคนโดยเฉพาะ บรรดาคนระดับล่างๆจะด่ว่าอย่างไงคนระดับล่างปกติแล้วเนี่ยจะมักจะฟังโดยง่ายใช่ไหมครับเพราะเป็นคนต้องพึ่งคนอื่นเหมือนคนที่รับด่าว่าของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลของสุลต่านส่วนใหญ่คนที่รับด่าว่าของท่านนบีมุฮัมมัดตอนที่อยู่ที่มักกะก็เป็นคนระดับล่างเป็นพวกทาสเป็นพวกนะคนที่ยากจนแต่เนี้ยของนบีนุชเนี่ยเป็นยังไงครับนอกจากจะไม่ฟังท่านนบีนุชแล้ว ยังไปฟังคนคนระดับสูงในกลุ่มของตัวเองด้วยคนที่เป็นบรรดารูอาซะคนที่เป็นบรรดาซุอามะนะคนที่เป็นบรรดาเคหะบดีคนที่เป็นบนรร ด, นะ ด, ด, ดาคนรวยคนซึ่งพวกนี้เนี่ยจะคอยมายั่วยุคให้คนระดับล่างเนี่ยห้ามห้ามไม่ให้ฟังการดะาว่าของท่านนบีนุฮอัลลอฮิสซลาฮสรุปก็คือ ระดับล่างก็ไม่ฟังระดับสูงก็ไม่ฟังน่แหละที่ท่านอบีนุบอกว่าวะชะบาอูมันลัมยะจิดฮุหมาลูฮูวะวาลัดูฮูอิลลัฟะซะมีลูกเยอะไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดว่าเขาจะเป็นคนที่อัลลอฮฺตถาลรักมีลูกหลานเยอะหรือมีทรัพย์สมบัติเยอะน้าอุบิลละฮ์มินตะลิละอิลละฮ์อิลลัลลอฮ์วะมักครุมักรันกุบบร และคนพวกนี้ก็ได้วางอุบายอุบายที่ยิกใหญ่มากไม่ใช่อุบายเล็กๆวางแผนที่จะต่อต้านท่านนบีนู่นนี่ไม่ใช่ต่อต้านแบบเขาเรียกว่ามายังไงก็ไปอย่างนั้นไม่ใช่วางแผนว่าจะต่อต้านยังไงแล้วในอายัดหลังจากนี้นี่นักตักเสียนบางคนบอกว่า แผนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแผนที่หนักหนาสาหาัสแผนที่ใหญ่หลวงนี่คืออะไรทําไมอัลอลอฮฺจึงใช้คําว่ามักรันกุบาระกูบาระหมายถึงแผนที่ใหญ่มากแผนที่ชั่วแบบสุดๆมากๆนี่คืออะไรแผนที่ว่านั้นก็คือวะกาลูละทัซรุนอาลฮะตะกุมวะลาทัซรุนวัดดันวะลาสุอานวะลายาหุส วายูกาวันอัสรออันนี้เป็นการนะเป็นการวางแผนวางอุบายของบรรดาพวกนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชนชั้นสูงวางแผนให้ชนชั้นล่างต่อต้านท่านนาบีนุ่มอะไรสักแล้วและแผนที่ว่านี้ก็คือหลอกให้คนชั้นล่างพวกนี้ ยืนกรานดื้อด้านอยู่ในกุฟรต่อพระสุภานะาตะาละไม่ต้องไปฟังนู่อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งอย่าทิ้งรูปปั้นของพวกเจ้าและตะจะรุนอีะจกุมอย่าได้ทิ้งพระเจ้าของพวกเจ้าไม่มีแผนอื่นที่ชั่วไปกว่าแผนนี้อีกละหลอกให้คนเป็นกาเฟ แผนอะไรก็ตามไม่มีอะไรที่จะชั่วไปกว่าแผนหรืออุบายให้คนอื่นกลายเป็นกาเฟสและยืนกรานดื้อด้านเป็นกาเฟสไปจนตายนัง่งสุเล็นไมันจะอะไรยันอื่นไม่หนักเท่าไอ้นี้ไม่มีอีกแล้จะหลอกยังไงก็หลอกไปหลอกกินตังหลอกเอหัคอรัปชั่นหลอกอะไรไม่หนักหนาเท่า หลอกให้คนเนี่ยอยู่ในการกุฟลและชิริกต่อ Allah s u b h a n a h า Wa Taala นะอัลลอฮฺบิลละห์มินตะลิคต้องระวังมากระวังอย่าโดนหลอกเรื่องนี้เพราะถ้าโดนหลอกเรื่องนี้แล้วเนี่ยนาะอัลลอฮฺบิลละห์มินตะลิคเนี่ยทำยังไงทํายังไงให้คนที่อยู่ในระดับเนี่ยละตาจารุนนอัลีฮะตะกลมอย่าได้ทิง้งเนี่ยพระเจ้าของพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยอย่าทิง้ง วแล้วพูดด้วยนะว่าแต่ละมีมีกี่องวาทรุนนวดนวดวลาววาวลายกูยากรูวลายู้ยูวลาะนัรลกนราองฮ่าองนี่องใหญ่ใหญ่จะทิ้งได้ยังไงเนี่ยอยู่กับเจ้ามานานแล้วเนี่ยเป็นอะไรว่าไปนะวางแผนให้คนพวกนี้ไปไปตะซุบ แบบเขาเรียกว่าตะอสุมีภาษาไทยเ็าใช้ว่าอะไรอ่ะมีไหมใช้เขาใช้ว่าอะไรตอาอสุกก็คือแบบหูหนวกตาบอดฮะก็ใช้คาอะไรภาษาไทยตอาอสุกสำหรัอยู่พอมีบ้างเป็นาทิกเอ่อเปนาทิกเปแบบนาทิกภแบบาษาไทยเขาใช้คาอะไรตอสุกตะอสุกก็คือไม่ฟังแล้วไม่ฟังอาอนี่ของของกูนี่ะแะเขาเรียกว่าอะไร ยุบจนกระทั่งแบบไม่ยอมปล่อยอ่นี่แหละวะลาทาซรุนนะวัดดันวะลาสันวะลายาหูซะวะลายาหูซะวยะงุกวะนัสรอัลลอฮ์อันนี้เป็นอีกโรคหนึ่งที่อันตรายมากในสังคมของเราโรคตาอัซซุบละอิลลัฮ์อิลล allah นะแล้วมันก็ไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะตาอัซซุบนะคือคนที่มีใจบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะไม่ตาอัซซุบ แต่ที่ตะอซุปเนี่ยเพราะมีคนอยู่ข้างหลังมีคนอะไรอยู่ข้างหลังมีคนยุบอยู่ข้างหลังมีคนยุ่ยอยู่ข้างหลังมีคนใส่ไฟอยู่ข้างหลังถ้าไม่มีคนใส่ไฟถ้าไม่มีคนยุยังไงมนุษย์เราก็ยังอยากที่จะได้อัลฮัจซัจธรรมไม่มีใครหรอกที่มีฟิตระที่สะอาดบริสุทธิ์จะปฏิเสธสัจธรรมเป็นไปไม่ได้มนุษย์ คนไหนก็ตามที่มีจิตใจบริสุทธิ์เวลาที่สัจธรรมอ่ะเขาจะต้องรับทำทีเพราะมันสอดคล้องกับกมลสันดานตั้งแต่เริ่มต้นโดยธรรมชาติของเขาเหตุที่ไม่รับเนี่ยเพราะเหตุที่ตอซุกนี่เป็นเพราะอะไรนี่ยเฮ้ยถ้ายังไง <c oughs> อ่าอันเนี้ยระวังให้ดีอันเนี้ยเป็นบทเรียนจากจากกา้าว่าอันเนี้ยที่ยากมากอันนี้แหละที่สร้างความปวดหัวให้กับบรรดานักทางาน ถ้าไม่มีโรคตาซุปเนี่ยเราทำงานง่ายมากเพราะอิสลามมันจะสัมผัสหัวใจของใครเมื่อไรแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปได้แต่ถ้าหากมีตาซุปอยู่อัลลอฮ์ถึงขั้นสู้รบเลยครับนะถึงขั้นฆ่ากันตายก็มีถ้ามีตาซุปอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ต้องระวังนะนักดาอีต้องเข้าใจโรคนี้และคนที่เป็นมดุโูคนที่รับ สัจธรรมก็ต้องระวังโรคนี้ด้วยเช่นกันอย่ามีโรคตาอสุปเพราะมันจะเป็นตัวส ก, กัดที่น่ากลัวมากไม่ให้คนคนหนึ่งรับสัาธรรมจากอิสลมาลลมนะเอาสุเป็นดัมมิซาิกเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเรียนกันนะครับว่าไอ้ห้าตัวหรือห้าจริงๆครว่าห้าตัวเนี่ยไม่ถึงรค ป, ปั้นแต่คนเจ้าของชื่อจริงๆเนี่ยเป็นคนเป็นคนซอนแลด้วยนะก่อนที่จะกลายมาเป็นโรค ป, ปั้นเนี่ย สุภาพน่ะหรือเรื่องราวเนี่ยมันเป๊ะหมดเลยนะมันเป๊ะกับเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่ในสังคมมนุษย์นี้จริงๆ 1,400 กว่า ป, ปีมาแล้วอัลตาลาพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยแรกๆของประวัติศาสตร์ชาติมนุษย์มันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้ว 2,000 ปีที่แล้ว 3,000 ปีที่แล้วไม่ใช่เกิดขึ้นตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของการมีมนุษย์ แล้วมันก็มีมาจนกระทั่งทุกวันนี้ถ้าผมจะบอกว่าในโลกนี้สิ่งที่โบราณที่สุดคืออะไรนี่ไงมนุษย์เจริญที่สุดจนกระทั่งขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้หรือขึ้นไปบนอวกาศได้แล้วตอนนี้เนี่ยนะสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆมือถือก็ดีอินเทอร์เน็ตก็ดีเจริญมากๆแต่ยังมีของที่โบราณที่สุดอยู่อีก อะเรารจะไม่รู้เราจะไม่รู้จะอธิบายความขัดแยงนี้ยังไงในในหัวสมองของมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้นะอสุเวลลตด้าะเอาลเิดลเี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับว่าห้าคนนี้หรือห้าตัวนี้จริงๆแล้วเป็นอะไรแล้วเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับออสิาร์รูปจเวดเนี่ยมันเกี่ยวข้องแล้วมันน่ากลัวยังไง إن شاء الله سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم صلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ماسفون والسلام على المرسلين لل الم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله